อัญสาดุชนทั้งหลายสำหรับวันนี้ก็มาปราบรกรรมดาท่านพุทธบริษัทชั้งบารมีที่สี่ความจริงเรื่องบารมีนี้่จะมาจะไม่พูดเป็นตอนทั้งสิบตอนก็เสียเวลาเปล่าพอะไรก็ัเพราะว่วาบารมีแต่ละบารมีพอปฏิบัติแล้วก็ควบกันอยู่เสมอไป ก็สร้างความเข้าใจให้เกิดเกิดบรรดาท่านพุทธบริษัทอยู่แล้วยามนี้เป็นยามเช้ามืดอย่าลืมว่าพระโยคาวัยจรอนันหลายจงอย่าทําตนเป็นคนนอนตื่นสายเช้ามืดไม่ตื่นหากว่าท่านไม่ตื่นเช้ามืดโดยเช้ามืดก็ตื่นขึ้นมาแล้วไม่ทํำกิจสุขควรกสมณะวิสัย ก็เย็นจะตอกระอท่านได้ว่าท่านไม่ใช่สาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรบรมศาสนาแล้วก็อย่าเป็นสาวกของใครก็เป็นเรื่องของท่านนี่ใต้คิดว่าท่านเป็นเบโซนาบันไม่ได้ผู้เรื่องเบโซดาบันมาแล้วก็รู้สึกว่ายากเกินไปสําหรับบางท่านแต่หากว่าท่านมีบารมีทั้งสิบรายกายครบถ้วนเต็มบริบูรณ์ ถึงปรมัตตบารมีเรื่องพระโสดาบันแท่งก็จะเห็นว่าเล็กเกินไปไม่ใช่วิสัยเพราะมันดาท่านหลายหลายคดิดจะคิดว่ายากวันนี้ถ้ามาพูดกันถึงปัญญาบารมีคือบารมีที่สี่ดีไม่ดีก็อาจจะยกเลิกกระเวนเลยเรื่องบารมีทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่า ถ้าถึงปัญญาบารมีแล้วก็ควรจะจบกันได้เพราะปัญญาบารมีนี่เป็นปัญญาครอบจั ก, กรวาลถ้าเรามีปัญญาเสีอันเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทอย่างอื่นใดทั้งหมดไม่ต้องมีก็ได้เพราะว่าปัญญานี้เหมือนกับรอยเท้าช้างรอยเท้าสัตว์ต่างหลายที่ในป่าจะเหยียบลงไปก็เล็กกว่ารอยเท้าช้างทั้งหมด จากนั้นในมรรคแปดองสมเด็จพระบรมสุขจึงเอาสมาธิฐิคือตัวปัญญาเป็นที่ตั้งอยู่ตัวหน้าการที่เราจะรักษาศีลได้จะมีสมาธิได้จะให้ทานได้จะทรงเนธขมบารมีวิทยาบารมีทันติบารมีสัจจาบารมีอดีฐานบารมีเมตตาลูกเบคขาบารมีทั้งหมดก็อยู่ที่ตัวปัญญาตัวเดียว เพราะัยที่เรามีปัญญาเท่านั้นเราจรึงทรงได้ถ้าเราไม่มีปัญญาเราก็ทรงไม่ได้ฉะนั้นเรื่องบารมีระจบกันตรงนี้ดีไหมจะได้ไม่ยืดยากเกินไปจบหรือไม่จบดูเวลาก่อนบรรดาท่านพุทธบริษัท <c oughs> ปัญญาตัวนี้ก็จงจัดว่าเป็นปัญญาตัวสําคัญ แยกไว้เป็นสองปัญญาด้วยกันคือปัญญาที่เป็นโลกีกับปัญญาที่เป็นโลกุตระปัญญาที่เป็นโลกีก็รู้ได้ว่ารู้จักตัวรอดเป็นยอดดีในเรื่องการทํามาอากินอธรมาจะไม่พูดจะพูดแต่จะเพาะปฏิบัติเพื่อตัวรอดจากอวาัยภูมิก่อน <c oughs> นี่คนดีเขามีปัญญาจริงๆ พระเจ้าก็ย่อมมองเห็นว่าการให้ทานเป็นของดีะการให้ทานนี่เป็นการผูกมิตรดึงกําลังจิตเครื่องคนให้เข้ามาเป็นมิตรเป็นเพื่อนกันดีวกว่าการทําลายคนที่ให้ทานไว้เสมอนิบรรดาท่านพุทธบริษัททลายไปที่ไหนย่อมเป็นที่รักของบคุคคลผู้ให้ทาน เว้นไว้แต่คนที่มีสันดานเยี่ยงเทวทั์เท่านั้นก็มีอยู่ในโลกนี้ไม่น้อยเหมือนกันถ้าเป็นอย่างนั้นคนประเภทนี้มีแต่ความอคตันยูไม่รู้คุณคนเราก็ต้องใช้ปัญญาหลีเกเลี่ยงเสียถือว่าเป็นเรื่องธรรมดาธรรมดาเราจะยกย่อึ้นมาว่านี่เป็นกฎคงกรรมเพราะเราโง่เกิดมาในโลก คำว่าโลกแปลว่ามีอันที่จต้องทิหายไปไม่มีอะไรเป็นการทรงตัวเอาแน่นนอนกันไม่ได้แต่นี้คนที่มีปัญญาจริงๆจะได้คิดว่าการให้ทานเป็นการทรงเคราะห์เขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณก็ช่างเรามีความสมบายใจเพราะการให้ทานก็แล้วกันอย่างนี้เรียกว่าปัญญาเอาตัวรอด ได้ว่ารู้ตัวรอดเป็นยอดดีอีกคนที่มีปัญญาก็ทราบโดยว่าศีลเป็นของดีเพราะปกติเรามีความต้องการความสุขในด้านไหนก็ด้านที่ได้ว่าไม่ต้องการให้ใครเข้ามาทําร้ายเรามันลักมาขโมยยื้อแย่งทรัพย์สมบัติของเรามายื้แย่งความรักเรามาโ ก, กหกมดเท็จเราใ่้เราไม่ต้องการความเป็นบ้า <c oughs> ถ้าเราทรงสินไว้เราก็จะพ้นจากเหตุทั้งหมดทั้งหลายเหล่านี้และคนทั้งหมดรักษาได้ทุกคนก็จะมีความสุขพละยิงไปกว่านั้นตัวปัญญายก็มองเห็นว่าถ้าเราทรงสินริสุทดแล้วอบายบภูมิเราไม่ไปตายเรามีความสุขนี่เรียกว่าปัญญายขั้นรักษาตัวรอดเป็นยอดดีมานนในเนธธรรมบารมีคือการระงับินิวรหายังไม่ตัด ตอนนี้ก็เพราะว่าเพื่อทําจิตใจของเราให้มีความสุขทำอารมณ์จิตให้เยเือกเยน็นพอจิตมีความสุขจิตมีเยเือกเย็นก็เป็นที่พอใจของเราคนมีปัญญาจึงจะทรงในคธรรมบารมีได้เห็นว่าเนคธรรมบารมีเป็นของดีส่วนวิริยะบารมีปัญญาก็มองเห็น ว่าจิตใจของเรามันซามอยู่เป็นปกติเราก็ต้องฝืนอารมณ์คมจิตใช้ความภาคเพียรที่จิตมันจะไหลลงต่ำล้วก็ดันขึ้นมาสูงจิตจะลงไปหาความชั่วล้วก็พยายามดันเ้าหาความดีต้องมีความเพียร น, นี่มีปัญญาเจ้าตัวเดียวปัญญาเห็นว่าความเพียรในการที่กั้นจิตไม่ไปสู่ความชั่วให้ทรงตัวไวในความดีเป็นของดี จึงส่งวิทยาบ า, บารมีไว้เป็นปกติใช้ปัญญาเป็นเครื่องพิจารณากรรมที่เราทําทำในกายกรรมวิจีกรรมมโนกรรมมันก็เหมืนอนกันใช้ปัญญาพิจารณากราแล้วจึงทําว่ามันดีหรือมันชั่วนี่มีปัญญาตัวเดียวมันก็พอแล้วนี่บรรดาท่านพุทธบริษัทเขาเรียกว่าบารมีครอบจักรวาล สำหรับด้านคันติความอดทนต่ออารมณ์ที่เราไม่พอใจจะเป็นความทุกข์ความกระทบกระเทือนเกิดทางกายและทางใจก็ช่างเราทรงคันติความอดทนไว้เพราะเราเชื่อองค์สมเด็จพระจอมไตรว่าถ้าเราอดทนเข้าไว้ไม่ปล่อยให้จิตใจมันไหลไปสู่ความชั่ว ไม่มัวเมาในขันห้ามากเกินไปองค์สมเด็จพระจอมไตรกล่าวว่าท่านพูดนั้นมีสุขท่านในชาติปัจจุบันและสัมปราคาพบปัญญาก็จะมองเห็นได้ชัดแต่ก็ด่าเรามาเราก็ด่าเข้าไปเรื่องการด่ามันก็ไม่จบถ้าเขาด่าเรามาเรานิ่งเสียการด่ามันก็จบเถ้าคนด่ามันเหนื่อยไปเองนี่ยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆ ไม่มีปัญญาแล้วด้านสัจจะบารมีก็ครบถ้วนเต็มกําลังใจเพราะอะไรเพราะเราเป็นคนฉลาดใช้ปัญญาพิจารณาดูแล้วว่าสิ่งใดมันดีสิ่งใดมันชั่ว <c oughs> อะไรก็ตามเป็นเหตุของความชั่วเราตั้งใจไว้แล้วมีสัจจะเราจะทรงความจริงไม่ว่าความชั่วเราจะไม่ทาให้มายุ่งกับใจของเรา นี่คนปัญญาก็ใช้ปัญญาพิจารณาว่าอะไรมันเป็นจุดหมายของความชั่วหรือความดีไม่เห็นว่าสิ่งนี้เป็นของดีแน่แล้วก็ตั้งใจตั้งสัจจะไว้ว่าเราจะไม่ยอมละความดีตัวนี้เป็นสัจธรรมแย่าทรงทานทรงฉินทรงเนธรรมะถวายมันเป็นผลของความสุขแล้วก็มีความจริงไว้เฉพาะเท่านี้เท่านั้น เนี่สายปัญญาเท่านั้นเป็นตัวเป็นตัวควบคุมแล้วมาอธิษฐานมาบารมีเราตั้งใจเข้าไปแล้วนี้ว่าเราจะไม่ยอมทําจิตใจของเราให้ไปโซ่สู่ความชั่วเราจะไม่ยอมให้จิตของเราเคลื่อนค้ายเคลื่อนไปจังจากหลักทองจิตที่เราปักเอาไว้แล้วปักไว้ตรงไหนแล้วปักไว้ว่าหนึ่งเราจะเป็นผู้มีศีลบริสุทธ เราจใจทานเป็นปกติก็จะมีเมตตาอยู่เสมอเราจะไม่มวมเมาหรือไม่ยอมเป็นท่ายของนิวรณ์ทั้งห้ารายการในด้านในธรมรมบารมีอารมณ์ตัวนี้ปักไว้ตรงไม่ยอมขยับเยือนเหมือนกับหลักที่ปักแน่นแล้วอย่างนี้ก็จีว่าเราเป็นสาวกพระองค์สมเด็จพระราชีวเกลียวแต่ต้องอาศัยปัญญาเขาควบคุม นี่สิ่งเรื่องหลายเหล่านี้จะมีได้ก็เพราะสายปัญญาเข้าขุมมาตัวเมตตาบรรดาท่านพุทธบริษัทถ้าว่าเราขาดปัญญาที่ตัวเดียวเมตตาก็ทรงอยู่ไม่ได้ทั้นี้เพราะอะไรเพราระว่าการที่เราเมตตาในเขาแต่บางทีเมื่อหลายหลายข่าวอาจจะมีเป็นจำนวนมากที่เรากลายไปพบกับคนอัตตัญญูที่ไม่รู้คุณคน <c oughs> ไม่รู้อะไรมันเป็นปัจจัยของความดีหรือความชั่วเม่ตายเขาไปแล้วเขากลับอกตัญอยู่ส น, น้องตอบด้วยความโหดร้ายแต่ถ้าว่าสายคนที่มีปัญญาเท่านั้นบรรดาท่านพุทธบริสัทธ์นายจะถือว่านี่มันเป็นโล ก, กธรรมดา <c oughs> นินทาแบบสังสารความสุขความทุกข์มันเป็นเรื่องธรรมดาของชาวโลก ที่เราทำไมเกิดมาก็ทบกระทั่งเพราะกับคนที่หาความดีไม่ได้ไม่รู้จักคุณคนทําความดีมองไม่เห็นความดีก็เพราะอาศัยเราโง่คนที่มีปัญญาก็ไม่โทษคนอื่นก็โทษตัวเองว่าเพราะอาศัยเราง่มาในชาติก่อนในการก่อนเราไม่ส่งความดีเข้าไว้แล้วไม่แสวงหาความเฉฉลาด เราจึงได้ตกมาเป็นทาสของกิเลส ต, ตันหาอุปาทานและกุศลกรรมต้องกลับมาเกิดใหม่นี่คนที่มีปัญญาเขาคิดอย่างนี้แทนที่จะไปเจ็บใจคนที่สร้างความไม่ดีเป็นอากตัญยูไม่รู้คนๆ <c oughs> มีจิตประกอบไปด้วยอกุศลแทนที่เขาจะคิดอย่างนั้นบรรดาท่านพุทธบริษัทเขาไม่คิดคนที่มีปัญญานั้นไม่คิดอย่างนั้นมาโทษตัวเองว่าเราไปโง่เกินไป ถ้าเราเชล่ชลาเชื่อคำสั่งสอนขององค์สมเด็จพระจอมไตรเราไปนิพพานเสร็จแล้วมันจะมีอะไรระเบรรดาแทนพุทธบริษัท <c oughs> มันก็ไม่มีอะไรอีกสําหรับด้านอุเบกขาบรมนีนี่ใช้ปัญญาก็ควบคุมคุมจิตใจขเขาเหล่านี้เฉยเข้าไว้อะไรที่ไม่เกิดขึ้นผิดธรรมผิดวินัยแล้วเป็นไปเพื่อความทุกข์จิตใจอยหาความสุขไม่ได้ถ้าเราไปเกาะ แล้วก็ใช้ปัญญามาเป็นเครื่องพิจารณาว่านนี่ว่าเราอยู่ในโลกถ้าเราหมุนไปตามนั้นเราไม่วางเฉยเสียไม่ทรงตัวเฉยเข้าไว้จิตใจก็จะประกอบไปด้วยอกุศลการที่เราต้องการปฏิบัติตามกระแสพระสัตธรรมเทศนาขององค์สมเด็จพระทศพลต้องการเป็นเบญสลดาสีทาคาราคารหันมันจะเป็นได้อย่างไง และเมื่อมีอะไรที่ไม่ชอบใจไม่ถูกใจก็ถือว่าช่างเถอะตามเดิมมานเฉยเข้าไว้นี่ปัญญาที่ฉันใช้แบบนี้ท่านบรรดาท่านพุทธบริษัทแต่ไหนเป็นปัญญาที่เรศรูนจักรรักษาตัวรอดเป็นยอดดีเท่านั้น <c oughs> ยังไม่พ้นอำนาจกิเลสตัณหาอุปาทานและกุศลกรรม อันนี้เราไม่ใช้ปัญญาเบื้องสูงกันเอาเป็นตัวจบพูกันง่ายๆนี่จบบา ร, รมีกันเส้นเลยคนดีจะได้ไม่พูดกันเลอะเทอะไปไม่จบบา ร, รมีกันเส้นเลยปัญญาใช้ทานบา ร, รมีเราใช้ในด้านไหน <c oughs> การที่เราจะให้ทานบรรดาท่านพุทธบริษัททั้งหลายถ้าเรามีปัญญาปัญญาของเราเต็ม แล้วก็คิดอย่างเดียวไม่ใช่ว่าเราจะสงเคราะห์คนอื่นการให้ทานเราสงเคราะห์ตัวเราเองสงเคราะห์ตัวไหนนะบรรดาท่านพุทธบริษัทสงเคราะห์ตนที่เราให้ทานเราตัดโลภะความโลภเพราะความโลภมันเป็นรากเหง้าของอิเลสถ้าเราเป็นทายของความโลภเราก็ต้องเกิดมามีความทุกข์ นี่ให้เปแล้วคนเขาจะรู้คุณเราหรือไม่รู้คุณช่างเขาเขาจะเห็นว่าเราดีแลวเราชั่วไม่สำคัญเราให้เพื่อทำลายความชั่วที่มันจมอยู่ในสันดาของเราให้มันหมดไปคือความโลภหรือว่ามัจฉิยะความดันนีนัน่นเหนียวเมื่อ <c oughs> ความโลภไม่มีสตัวเดียวความเบาใจมันก็เกิดลอยตัวได้แล้วบรรดาท่านพุทธบริษัท เราเป็นคนใกล้พระนิพพานเต็มทีนี่ปัญญาเขาใช้กันอย่างนี้นี่ตอนที่เรามายรักษาศีลรักษาเพื่ออะไรกันการรักษาศีลนั่นมันเป็นพื้นฐานที่เราจะให้แต่เราเข้าถึงสิ่งพระนิพพานเพราะเป็นบันไดขั้นที่สองที่เรานํามาเป็นการ ง, งับนันโทสะกับอะไรพยาบาท นี่ทำลายอารมณ์ชั่วความบุ่หวายคุนใจความเล่าร้อยของใจความโหดร้ายของใ จ, งใจนี่การรักษาศีล น, นิมิตรดาท่านพุทธบริสัทธ์แต่หลายเราไม่รักษาเพื่อความโลกเพื่อให้ใครเข้ามาบูชาไม่ต้องการในคนเข้ามาบูชาไม่ต้องการให้งขอมาสรเสริใครก็จะบูชาใครจะสรเสริญเราหรือไม่ไม่สาคัญ เรารักษาสี่ น, นี้นั้นเราต้องการอย่างเดียวคือแง่รากฐานเขโลภะให้พินาศไปเรายังขุดรากไม่ได้ก็ไม่เป็นไรตัดต้นโค่นต้นลงมาใช้ได้มันเหลือได้ต่อต่อไปก็ใช้ปัญญาพิจารณาในด้านวิปัสสนาญาณระขันห้าใช้หมดเป็นอันใบตัวแห่งความโลภความโกรธมันก็จะสิ้นรากสิ่งเงาสิ่นโคนมันไป นี่ใช้บัญญาตัวนี้เข้ามาพิจรารณาเรื่องการรักษาศินต้องคุ้มสินให้บริสุทธิ์คือไม่ทำเองไม่ให้คนอื่นเขาทำลายไม่ยินดีเมื่อทำลายแล้วเมื่อคนอื่นเขาทำลายแล้วนี่ใช้บัญญาพิจรารณาตัวเดียวมาตอนเนกธรรมะบรมีตอนเทวดาเป็นตัวตัดขาดตัว น, นี้มีอะไราการมาัญชนทะเราระงับไปได้อำนาจอสุปรกรรมฐานกับกายกตานุสติ กดคอมันเข้ไว้แล้วก็ห้ามหันมันด้วยอำนาจของปัญญาพิจารณาว่ากามายุคห้ามมีกายเป็นตัวนําแล้วพอใจในกายแล้วพิจารณาดูในกายว่ามันสกปรกแล้วเอามันไว้ทําไมนอกจากจะสกปรกแล้วมันยังทําลายจิตใจของเราด้วยแล้วมันก็ไม่ช่วยให้เรามีความสุขเป็นปัจจัยเกิดความทุกโยนทิ้งมันไปเส้นเลย เป็นชือวอาร่างกายที่ประกอบไปด้วยกันห้าแบบนี้จะไม่มีสําหรับเราต่อไปเลิกคบกันไปเลยติดใจในกายไม่ว่ากายของใครทั้งหมดนี่เนคคัมมะเบ ร, รมีที่เขาใช้กันเรื่อยๆเขาปัญญายเขาใช้ตัวนี้นี่มันเป็นของไม่อยากทําใจให้มันเต็มคําว่าเต็มระยะมันบกร่องอย่าจิตอื่นมันเข้ามายุ่งอารมณ์อื่นมันเข้ามายุ่ง ทำอารมณ์ให้มันเต็มให้มันเป็นปกติคิดอยู่อย่างนี้ตลอดเวลาการเป็นอาราหันต์เป็นของไม่ยาอ <c oughs> นนี้ตัวปัญญาไม่ต้องมาพูดกันมันไล่เบี้ยยางเออต่อไปเอาปัญญาเข้าไปใช้ในวิทยะความเพียรอีกตอนนี้เพียรตรนไหนเพียนตัดชั้งโยกสิบระการให้พินาศไปใช้ส ก, กาญาทิฐิตัวเดียวเข้าประหัตประหาร พิจรารณาว่าถ้าภาพร่างกายนี้มันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในร่างกายร่างกายไม่มีในเราไอ้เมื่อมันไม่เป็นเราไม่เป็นของเราที่อย่างเดียวแล้วสิ่งเองื่อทั้งหลายในโลกมีอะไรเป็นของเราอีกนี่ต้องใช้ความเพียรเมริยะเอาเปัญญาเข้ามาจาับใช้ความเพียรให้มีประโยชน์ยาวความเพียรไปไประกอบเสียงที่เป็นโทษเข้ามาโยกไม่เอา นี่ปัญญาตัวนี้เป็นปัญญาที่เป็นปรมัตธรรมรมีจับความเพียรตัวนี้ก็มายึดสังโยกเป็นสำคัญทำลายให้พ่นาดไปโยนร่างกายคือขันห้าทิ้งเส้นได้และอยางอื่นไม่เหลือบรรดาท่านพุทธบริษัทหาความเหลือไม่ได้ความเปลรหันตรากฏกันตอนนี้อย่าไปคุยกันทำไมเรื่องพระโสดาบันมันเป็นของง่ายๆของเล็กๆของเด็กๆนี่ ง่ายเกินไปนี่ถ้าเราใช้ปัญญาในด้านคันติบารมีความอดทนอดใจเ้าก็อดทนกขาไว้เพาอารมณ์อันใดที่มันเป็นอุปกิเลตจิเลตเล็กกรดีกิเลตใหญ่ก็ดีเรื่องความไม่มีที่มันจะเข้ามายับยั้งมันด้วยอำนาจคันติบารมีมียาบารมีท้าทางวิ่งหนีแต่บังเอิญมันจะปวดทันยั้งมันเขาไว้ไม่ยอมให้มันเข้ามายุ่งในใจ อดทนอดกลั้นไม่ยอมหันไหวไปตามเดิมหน่าของกิเลสมีความรักความโลภความโกรธความหลงเป็นต้นยันมันเดิมหน่ายคันติมันจะเข้าประตูเฉยถ้าไม่เปิดยอมรับมันเออเมื่อเราไม่เปิดประตูยอมรับมันมันจะมาได้ยังไงจะเข้าได้เนี่ยเมื่อเดินบนมาบนไปวนไปวนมาเข้าไม่ได้มันก็กลับไปเอง นี่ปัญญาต้องใช้ความเขียบขาดเพราะว่าถ้าเราทรงความอดทนไม่ได้เราตายเสดีกว่านี่ปัญญาเป็นปัญญาตัวสุดท้ายบารมียกยอดกันมาแค่นี้นี่มาด้านสาัจจะบารมีความจริงใจใช้ปัญญาควบคุมความจริงเข้าไว้ลไแล้วเลือกไว้แล้วในสิ่งนี้มันเป็นของดีของเลว เลือกเอาความของดีเข้าไว้ทรงได้ความจริงว่าเราจะค้นคว้าหาแต่ความดีเท่านั้นทรรมไรศกายติคือร่างกายให้พินาศไปตัดเมื่อร่างกายไม่เป็นที่ไม่พอใจของเราความโลภมันก็ไม่มีความโกรธมันก็ไม่มีความหลงมันก็ไม่มีไอตัวที่หลงใหญ่ก็คือหลงกายว่าเป็นเราเป็นพวกเรานี่แหละมันก็นเลยหลงตัวอื่นต่อไป นี่เราทรงสัจจาเข้าไว้ละว่าเราจะจริงคือการทำลายกิเลสทั้งสามรายการให้บินาตไปโดยอำนาจขาองอริยสัจ <c oughs> ตอนนี้มาดิฐานแวบารามีเราตั้งใจไว้โดยเฉพาะว่าเราต้องการพระนิพพานอย่างอื่นไม่ไปใครจะไม่ยกยอปอปป้นยังไงเราไม่เอาเพราะว่าเราเป็นสาวกขององค์สมเด็จพระจอมไตรพระผู้มีพระภาคเจ้าอาภุธเจ้าท่านดีกว่าเราเป็น ก, กษัตริย์ แล้วก็มีทรัพสมบัติมากมีความมีปัญญาทุกอย่างทุกอื่นสมบูรณ์บริบูรณ์พระองค์ยังไม่หลงตั้งใจเฉพาะพระนิพพานเป็นอารมณ์แล้วก็ไปจริงๆในเมื่อเราเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นพุทธบริสัทชายหญิงของพระพุทธเจ้านี่ในเมื่อพระองค์ทิ้งอย่างอื่นได้แล้วก็ทิง้งแล้วจะเจ็บเป็นไว้ทาไม <c oughs> เราก็ตั้งใจตรงเฉพาะพระนิพพานใครจะชวนไปทางไหนฉันไม่ยอมไปไปที่เดียวคือพระนิพพานเท่านั้นตั้งใจไว้โดยเฉพาะทำอะไรนิดทำอะไรหน่อยเราทำเพื่อพระนิพพานมีคนที่มีปัญญาเขาใช้อย่างนี้ปัญญาเป็นบา ร, รมีครอบจักรวาล น, นี่บอกแล้วแต่องค์สมเด็จพระบัณฑิตแกบอกว่าจงมีเมตตาเป็นปกติเมตตานี่เป็นตัวยืนสําคัญมั่นดาแทนพุทธบริษัททุกท่าน เลี้ยงทั้งทานเลี้ยงทั้งศีลเลี้ยงทั้งวิปัสนาญาณก็เมตตาแปลการที่สร้างอารมใจให้เยือกเยน็นไม่มีกังวลในอย่างอื่นมีจิตคิดอย่างเดียวคือเมตสงเคราะห์รักคนอื่นสงสารคนอื่นเกรงว่าเขาจะมีทุกข์เราไม่ต้องการยัดเยียดความทุกข์ใหแก่บุคคลอื่นต้องการอย่างเดียวยัดเยียดความสุขให้แก่เขาด้วยอําเขงไม่ตา แล้วก็ใช้ปัญญาเข้ามาพิจารณาว่าการที่เมตตานี่เราไมา่ได้ติดในเขาเราสงเขาะห์เขาข้ามฝากคือพ้นจากบ่วงทุกข์ไปได้ชั่วขนาดแล้วจะตลอดกายก็ตามใจนี่มันเป็นเรื่องของเขาเราจะไปผูกพันช่วยแล้วเขาปฏิบัติได้หรือไม่ได้นี่มันเรื่องของเขานี่มันก็ของไม่ยาก ถ้ามีปัญญาเข้ามาพิจรารณาและเมตตามันก็ไม่สลายตัวมันตองตัวมันเต็มมันอิ่มบริบูรณ์ใช้ปัญญาตัวเดียวบรรดาท่านพุทธบริษัทสําหรับอุเบกขาบรารมีตัวนี้ขั้นสูงอุเบกขาเนี่แปลว่าความวางเฉยต้องใช้เป็นสังขารุเปเกคขาญาณคือวางเฉยในสังขารคื่อร่างกายมันแยเป็นอะไรก็ช่างของมัน โลกทั้งโลกทรัพย์สินเนั่นหลายมันให่เป็นอะไรก็ช่างว่ามันร่างกายมันป่วยจะตายมีทุกขเวทนาสาหัสเราเป็นสาวกองค์สมเด็จพระสังฆวรจะไปแยแสอะไรกับมันแช่งมันมันอยากป่วยเชิญมันป่วยไปมันอยากตายเชิญมันตายไปตัดตัวนี้ได้มันก็มีความสุข เราเฉยก็ไว้เพราะเรารู้อยู่แล้วว่าแต่ภาพแรงกายหรือว่าขันห้านีิมันไม่ใช่เรามันไม่ใช่ของเราเราไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีเราปัญญาเขาใช้อย่างนี้บรรดาท่านพุทธบริษัทเนื่ว่าถ้าเราใช้กันให้ถูกเสีอย่างเดียวมันก็ไม่มีอะไรที่มันจะไม่ถูกเมื่อใช่ถูกแล้วมันก็มีความสุขความสุขมันมีตรงไหนอันนี้จะอธิบายให้ฟัง ตัวอย่างเมื่องค์สมเด็จพระสมรัมมาสัมพุทธเจ้ายัางทรงพระชนอยู่ในขณะ น, นั้นองค์สมเด็จพระบรมครูพระองค์ทรงทราบชัดว่าสาวกขององค์สมเด็จพระ ส, ส, สัมมาสัมพมีนามาพระสัชชิชึ่งเป็นอาหารหันต์สมัยแรกสุด <c oughs> กําลังป่วยไข้ไม่สบาย ในเวลาเดียวกันนั้นเององค์สมเด็จพระจอมไตรยประทับอยู่มีพระขม agra ปทนว่าพระสัชชิเวลานี้ป่วยหนักมีทุกขเวทนามากพระสาชชิขอร้องให้องค์สมเด็จพระผูมีพระภาคไปแสดงไปโปรดพระพุทธเจ้าก็ไปเวลาที่พระพุทธเจ้าเสด็จถึงแล้วพระสัชชิกราบทลถามพระองค์สมเด็จพระจอมไตร ว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีแล้วนี้พระคุณเจ้าขาเข้าใจว่าจะสิ่งความดีเสร็จแล้วองค์สมเ ด, ด็จพระบดีแก้วถามว่ามันเป็นยังไงอัศจริพระสทัชชิกาทูลตอบว่าเวลานี้ทุกเบญนามันครอบงําข้าพระพุทธเจ้าจัดองค์สมเด็จพระทรงสวัสดิ์จึงถามว่าอัศจริเธอรงับกายาสังขารไม่อยู่หรือ ท่านพระอัชาชิก็ตอบว่าไม่อยู่พระเจ้าขา่าสมเด็จพระบรมศาสดาจึงได้ตัส ถ, ถามว่าสัชชิเธอเห็นว่าขันห้าคือว่ารูปเปรตนาสัญญาสังขารมีญาณเป็นของเธอหรือป้อาสัชชิก็กราบทูลว่าไม่ใช่พระเจ้าขา่าดูดูถือว่าเธอเห็นว่ารูปเปรตนาสัญญาสังขารนั้นลิญญาณมันเป็นเธอ ข้าสัชชก็ตอทูลตอบว่าไม่ใช่พระเจ้าค่ะเมื่อองค์สมเด็จพระบรมาศาสดาจึงได้ตัดว่าอาสชชิที่เธอป่วยในคราวนี้ความจริงก่อนที่พระพุทธเจ้าจะตัดเพราะอาสชิก็กราบทูลว่าความดีที่ข้าพระพุทธเจ้ามีไว้คนจะสลายตัวเช่นแล้วองคสมเด็จพระบัณฑิตแก้วจึงได้ทรงตรัสถามแบบนั้นเมืมาา่อข้าสชิตัด ทูทา้ทาทูลตอบองค์สมเด็จพระวิชิตตมารแล้วองค์สมเด็จพระบาทที่แก้วจึงได้มีพระพุทธดีการต่ว่าอาสัจฉิความดีของเธอยังไม่สิ่งไฟความดีของเธอยังทรงอยู่เธอยังรักษาความดีไว้ได้เป็นปกติความดีใดๆที่ เ, อเธอเคยได้จะคําสอนของแต่ถาคดไว้สียงนั้นยังครบถ้วนบริบูรณ์ ก็เธอยังมองว่ายังมีความเห็นว่าอัตภาพร่างกายคือสันห้าใน ร, รูปเวทนาสัญญาสังขารมิญญานอันไม่ใช่เธอไม่ใช่ของเธอเธอจะไม่มีในขันห้าขันห้าไม่มีในเธอฉะนั้นความดีข้อนี้ยังปรากฏนร บ, บรรดาท่านพุทธบริษัท ต, ตัวนี้เขาเรียกว่าสังขารูปเปี้ยขาญาณคือมิ ญ, ญานเป็นเครื่องวางเฉยในสั้งขารคือขันห้าในใจร่างกาย ที่เราเรียกจันว่าเบิดขาบารมีถ้าเราทรงได้เพียงนี้บรรดาท่านพระธรรมสัพทัญไลยขึ้นเชื่อว่าความดีของท่านทั้งหลายจะไม่หมดไปทั้งนี้เพราะอะไรก็เพราะว่าท่านทั้งหลายยังทรงความดีตามที่องค์สมเด็จพระจอมไตรบรมสัจสันดาสัมมาสัพพะตะเจ้าสอนไว้เป็นอันว่าท่านทั้งหลายมีปัญญาครบถ้วนเต็มครบถ้วนบริบูรณ์คือว่ามีปัญญาเต็มมีบารมีในด้านนี้เต็ม อ้าบัญญับา ร, รมีเต็มเท่านบา ร, รมีเดียวบรรดาท่าพุทธบริษัทบา ร, รมีอื่นก็เต็มไปด้วยช่วยเราทั้งหลายพ้นจากความทุกข์มีแต่ความสุขกล่าวคือเข้าถึงอาราหัตผลเป็นพระอริยะบุคคลในพระพุทธศาสนาที่เรียกันว่าเข้าถึงพรนิพพานเอาบรรดาท่านพุทธบริษัททุกท่าน สำหรับวันนี้ก็ข อ, อยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัสดพีพัฒนามงคลสมบูบบรณ์ผลผลโจอว่าบารมีสิบรากา ร, ร, รนี้องค์สมเด็จพระทศพลกล่าวมาแล้วชั้นใดอาตมาพูดจบแล้วในด้านปัญญาบา ร, รมีก็ค อ, อยอยุติด้วยบา ร, รมีไว้แต่เพียงเท่านี้ขอความสุขสวัส ด, ดีจงมีแด่บรรดาท่านพุทธบริษัทผู้รับฟังทุกท่านสวัส ด, ดี